เทศอบรมพระวันที่ห้ากันยายน2521นายี่นี่ปลุกใจดีมากตลอดเทศเรื่องสติสติเป็นเครื่องรักษาใจอันตรายไม่ใช่รูปเสียงกลิ่นรสแต่เป็นเพราะสมุทัยภายในใจผู้เอื้อมไปคว้าสิ่งเหล่านั้นต่างหากเอาให้จริงอย่าถอยหลังพิจารณาให้รู้จริงเห็นจริง ดังท่านรู้ท่านเห็นสัจธรรมแหลเป็นธทรรมนบแห่งอมตะธรรมเราสอนหมู่เพื่อนมาร่วมสามสิบปีแล้วและสอนด้วยความแน่ใจไม่สงสัยผู้ฟังจึงควรแน่ใจและปฏิบัติให้เห็นผลพูดสันเลขธรรมสิบประการกิเลสรวมตัวเข้าสู่จิตจนถูกทาลายโดยสิ้นเชิงนี่ฟังอัดได้ทั่วไป ถึงที่สุดและถึงด้านบีบ้างเล็กน้อยการนินมนต์ถูกนินมนต์ขั น, นที่ต่งางๆก็ข อ, ขอผ่านไปด้วยเหตุผลให้นินมนต์ได้เข้าใจาการเทีย่ยวตามบริเวณวัดที่ไม่ให้ล่ำเวลาลากระตือนให้ตั้ กิจการงานภายในวัดที่ก่อความข้องบนให้เป็นค่าสุทแก่ทางพุทธภาว น, นาเพอไม่ให้มีให้มีเฉพาะ ง, งานจำเป็นซึ่งเป็นงานีเพื่อขอถอนที่เลยโดยถ่ายเยวเท่านั้น คามเยี่ยงอย่างประเพมีของพระครูเจาและราษาวกทั้งหลายที่ทรงดำเนินและดำเนินหรือทรงพาดำเนินมา เ, เพราะเรื่องของพระเราไม่มีจิดการงานใดจะเป็นงานสำคัญยิ่งกว่างานกิตตเภาวนาเพื่อการถอดถอนทิ่เหล็ก ทุกประเภทขึ้นแสดงอยู่ภายในจิตใจของตนทุกขณะถ้ามือสติต้องทราบไยทุกระยะว่าข้าศึดนั้นไม่อยู่ในสถานที่ใด <c oughs> สมุทัยมีอยู่ในสถานที่ใดข้าศึกย่อมอยู่ในสถานที่นั้นผลที่เกิดขึ้นจากความรังควานหรือทําลายจากข้าศึกจี่เปมุอไทยก็คือศึก แสดงขึ้นมาที่ใจไม่มีที่อื่นใดพอจะเป็นที่สงสยัยในการแก้ไขหรือปราบตามสิ่งที่เป็นภัยแก่ตนเองท่านกล่าวไว้ในธรรมว่าอริยสัจทั้งสี่ทุกมีเป็นผลสืบเนื่องมาจากสมุทัยตัวก่อนอยู่ท่านต้งเรียกว่าสมุทยัยแดนเป็นที่เกิดแห่งทุก เกิดที่ดวงใจดวงนี้นิโรธเป็นผลของมรรคที่ทำงานได้มากน้อยระงับดับทุกข์ไปโดยลาดับมรรคได้เกิดสรุปปันแล้วได้เก่ศีลสมาธิปัญญาศีลต่างองค์ก็ต่างรักษาอยู่เรียบร้อยแล้วไม่เป็นเครื่องกังวลในเรื่องศีลของตน ซึ่งควรจะทำจิตใจให้มีความสงบสวมเย็นด้วยความเพียรไม่มีนิวรนเกี่ยวกับเรื่องศสีลไม่บริสุทธ์ด่างพร้อยต่างๆเข้ามารุ่งเยืองุ่นวายความเพียรย่อมเป็นไปเพื่อความสงบอันเป็นสิ่งที่มุ่งประสงค์ มากแปกมีอะไรสัมมาคิธิสัมมาสังบโปหมายถึงองค์ปัญญาซึ่งเป็นความเฉลียวฉลาดออกหน้าคือเดียวปัญญาเราจะใช้ในสถานที่เช่นไหนสติจะกำกับงานเช่นไหนสติเป็นเครื่องกำกับงานที่ตนทำได้แก่พิจตโทน สังเกตสอดรู้จิตอยู่เสมออย่าลดละเครื่องของสติเป็นความจาเป็นอยู่ตลอดกิริยาบกความเคลื่อนไหลไปมาขอให้มีสตินี้เป็นการสั่งสมสติให้มีความรู้รูตัวอยู่ทุกระยะจนสืบเนื่องเป็นสัมปัตยัญญาสติความระลึกได้ถ้าเกิดเป็นพักๆเมื่อสืบเนื่องกันต่อไปโดยลำดับเพราะการอบรมอยู่เสมอ การบำรุงอยู่เสมอย่อมกลายเป็นสัมปะชัญญะคือความรู้ตัวสืกเนื่องกันไปจากนั้นก็กลายเป็นมหาสติขึ้นมาได้ดูเด็กเดกเราเคยเป็นเด็กมาด้วยกันทุกคนเด็กเติบโตด้วยอาหารปัจจัยชนิดใดไม่ใช่อยู่ๆแล้วก็เติบโตขึ้นมาเฉยๆต้องรับการบำรุงรักษาทุกด้านทุกทาง ในบรรดาที่จะเป็นการส่งเสริมเด็กให้มีความเจริญเติบโตและปลอดภัยพ่อแม่พี่เลี้ยงจะต้องพยายามรักษาเด็กก็เจริญเติบโ ต, ตขึ้นมาจนเป็นผู้ใหญ่ได้อยจังละเราท่านท่าอยากเข้าใจว่าเกิดขึ้นมาอย่างไรลอ ง, องเจริญเติบโตขึ้นมาอย่างไรลอเติดแต่เติบโตขึ้นมาจากการบำรุงการรักษาทุกด้าน ทุกแหน่ทุกมือเรื่องของจิตอยู่เฉยๆจะให้มีความเจริมรูปเรืองขึ้นไปดูน้ำพังของของตอนนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้จิตไม่สามารถจะช่วยตนเองได้เช่นเดียวกับเด็กไม่สามารถจะช่วยคนอื่นได้ต้องอาศัยที่เลี้ยงนี่ก็ต้องอาศัยสติปัญญานี่จะทาความเพียรเป็นเครื่องหนึ่งหลังสมุทร สติกับปัญญาเป็นสิ่งสำคัญมากสัหรับการบำเพ็ญสติสัมปัตถะปัิยาตามหลักธรรมท่านประกาไว้แล้วไม่มีข้อสงสัยสติเป็นธรรมที่จำประถนาในที่ทั้งปวงังเดชสติเป็นของสำคัญสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรหมาเถึงองค์ปัญญา พ้นลงที่ร่างกายและจิตใจซึ่งมีความเกี่ยวโยงกันกับอุปทานเพราะความหลงของจิตการแก้ความหลงของจิตจะต้องแก้ด้วยความรู้ความฉลาดหมายถึงสติปัญญาหมายถึงใช่หมายถึงสติปัญญาการที่จะช่วยเหลือจิตได้ต้องอาศัยสติเป็นคู่กระพบประพองตามรักษาเหมือนเด็กต้องอาศัยพ่อแม่ที่เลี้ยง คอยบำรุงรักษาการเจริญภาวนาเป็นการบํารุงการระมัดระวังรักษากระแสจิตของตนที่จะคิดไปในแง่ต่างๆนั้นเรียกว่ารักษาปัญญาเป็นผู้ให้เหตุผลจนจิตมีความจําน้นตามเหตุผลของปัญญาที่เป็นผู้นําหน้ า, นาใจเมื่อมีสติมีปัญญาเป็นเครื่องควบคุมอยู่เสมอแล้วอันตรายจะเกิดได้ยาก คำว่าอันตรายหมายถึงอะไรเราอยาหมายถึงรูปถึงปิิเสียงกลิ่นรสดเครื่องของผัดซึ่งเป็นของอยู่ภายนอกนั้นมากไปกว่าอันตรายคือสมุนไพรซึ่งเกิดขึ้นจากใจของเรานี้โดยอาศัยการเคยได้เห็นได้ยินลมกลิ่นริ้มรถซึ่งเป็นอตีตาลมเข้ามาประมวลไว้ในจิต อาการหนึ่งเชื้อของจิตมันก็เป็นมีอยู่แล้วพิเลธที่เป็นเชือ้อมันย่อมคอยผลักดนกันจิตใจออกเสมอออกนอกทูก้นอกทางถ้าสติไม่มีจิตใจก็เสียได้ในตอนนั้นเช่นเดียวกับเด็กถ้ามันมีผู้เลี้ยงตามรักษาเด็กก็เป็นอันตรายได้ตกน้ําเข้าไปตกบ้านตกเรือตกเหือตกบอก่อเพื่อนชีว่นอันตรายแล้วร่อแหลงมากนันทำเด็กกล้าที่จากผู้เลี้ยง จิตใจที่ปราศจาที่ดีนงคือสติและปัญญาก็ย่อมเป็นนั่นเหมือนกันเพราะฉะนั้นการภาวนาที่ไม่เป็นไปดังใจหวังก็เพราะความโลเลของสติปัญญากม่อยให้จิตคิดไปตามอำเภอใจด้วยอำนาจของความผักดันของอันตรายได้แก่กระหมูไถ่พิกีเลศ กามาตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหานี้เป็นตัวใหญ่ของพิเลศรากเน่าเข้ามูลของพิเรศก็ขึ้นเื่ากระจาไปก็มีจำนวนมากเช่นเดียวกับต้นไม้เพียงต้นเดียวเท่านั้นรากขอยมีมากนอกจากนั้นยังมีรากแก้วที่ฝังลึกลงไปอีกด้วยกลีมกา้านสาขาดอกใบมีมากมายนับกี่วันกี่คปีก็ไม่ครบถ้วนดด้มีเรื่องกระแสของพิเรสที่กระจายไปจาก ความโลภความโรกรธความโมง่ยุราคะสันหานี้พันานามไม่จบถ้าเราตามเางามันไปนอกจากเรามีสติคอยสังเกตสอดรู้อยู่ที่ใจซึ่งจะซึ่งเป็นฐ า, านที่เกิดของอันตรายคือสมุ ท, ทัยจิระเบิดจิตที่มีความถูกให้แตกกระจายไปโดยความบุญมีบุ่นวายเป็นไปทั้งกอนถึงเรียกว่าอันตราย ศกเหมาะ <S <S <S เรียกอย่างอื่นไม่เห็นผัยนะักปฏิบัติหาอุบายวิธีทักจิตทักใจเที่ยมสอนตนเองให้เป็นที่ถึงใจจึงเรียกว่าปัญญาจึงเรียกว่าเป็นผู้ฉลาด ก, การหักห้ามตนเองเมื่อจิตมีความรอดโผลนไปในทางที่ไม่ดีต้องหักห้ามกันอย่างหนักหน่วงเอาให้ถึงเหตุถึงผลกันไม่อย่างนั้นแพ้ เหี่ยการรักษาจิตเป็นอย่างนี้ครั้งพุทธการท่านทำมาอย่างนี้เราเ็เห็นในตำลับตำลาด้วยกันทุกคนในครั้งพุทธการท่านเป็น ไ, นไม่ไม่ว่าสาวกองใดออกมาจากสกุลใดก็เช่นเดียวยางกับปัจจุบันนี้ออกมาจากตระบุพระราชาหากษัตรเศรษฐีประดุทีพ่อค้าประชาชนคนธรรมดา มารวมกันในวงพระศาสนามีพระรมัาสดาเป็นกุนท่านเอกทรงให้การแนะนำ ส, สอนเมื่อถึงใจด้วยเหตุด้วยผลแล้วท่านเหล่านั้นไม่เสียดายชีวิตจิตใจไม่เสียดายบริษัท์บริวารไม่เสียดายทรัพย์สมบัติอันใดทั้งหมดที่ออกมาจากประพุนมั่งหนี้ก็ตามประคุณใดก็ตาม มีความมุ่งมั่นในการที่จะตอทท่อถอนกิเลสด้วยความเพียงตามสถานที่เหมาะสมดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าลุกขมูลเตสนาสนันทิสาจะกับประชาตัตเตยาวเชิวังอุตสาหุภรรยาอยู่บรรดาชาประสมหมดแล้วให้เธอทั้งหลายจงต่อะแสวงหาอยู่ตามลุกขมูลคือล่มไม้ชายป่าชายขาตามถ้ำเงื่อมผาทานเป็นที่มคัคุกข้าง เพื่อความสะดวกแห่งการทำงานของเธอทั้งหลายจงทําความอุตสาหพยายามอย่างนี้ตลอดชีวิตเถิดงานเพื่อความสะดวกแต่งานของเธอทั้งหลายนั้นก็เธอได้พูดให้ฟังแล้วงานในสถานที่นี้ก็คือจิตตะภาวนาโดยอาศัยหลักเบื้องต้นที่อุปชายย่หมอกใหนตามเยี่ยงอย่างพระภูมิมรสาตรดาทรงสอนไว้ว่ามูลกรรมฐาน เกสรรวมมานะข้าดันตาตกตประตกตัดันตาหนา้าขาลงมาเกข้าเป็นตน้นเพียงเท่านั้นก็ครอบหมดแล้วในอัตภาพร่างกายของเรากระจกพยาโตมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเมื่อพิจารณาหนังให้เห็นเป็นหนังอย่างชัดเจนตามสมมติขั้นนี้แล้วเราก็จะเห็นสภาพ ของร่างกายที่ปราศจากหนังเป็นอย่างไรเวลานี้หนังหุ้มห่ออยู่พอเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายเป็นเราเป็นท่านมีคุณค่ามีราคามียศถาบรรดาศักดิ์สูงต่ําพอพูดกันได้พอนิยมกันได้พอหนังออกแล้วเท่านั้นมีตั้งแต่มแมลงวันนั่นแหล ะ, ะมาเนียโญ่เราคิดอีกมีการพิจารณางานของคนเป็นหนังนี้ ถนัดในอาการใดงานชิ้นใดอย่าว่าตั้งแต่ยังอาการห้านี่คือเจสาลมานะขาลตาแตจผมขนเล็บฟังหนังนี้เลยอาการทั้งสามที่สอง 2, อันใดเป็นที่เหมาะสมกับจดิติใจออกจากผมขนเล็บฟันหนังแล้วก็เนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหมักหัวใจตับทางขวิดายปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารหม่อาหารเกบ สิ่งเหล่านี้เป็นของปฏิกูลเป็นของน่าเกลียด น, น่ากลัแต่เท่าที่เป็นสัตว์เป็นคนมีความรักชอบมีความส่งเสริมยินดีนรื่นเริงกันก็เพราะมีหนังหุ้มอยู่เท่านั้นเองความหนาของหนังนั้นไม่ได้เท่าใบลานเลยไม่เท่าไม่เท่ากระดาษเลยผิวมันฉาบทาไว้เพียงเล็ก น, อน้อย เมื่อพิจารณาให้เห็นตามความจริงนี้ทุกสัตว์ทุกส่วนข้างบนข้างล่างเราจะสงสัยไปไหนนี่คืองานของเราเป็นงานถอดถอนที่เหลืออาวะที่เรียกว่าสมุนไพยให้พิจารณาอย่างนี้ทางด้านของอย่างสติให้ประคับประคองเสมอพยายามสังสมให้มีขึ้นรักษาสติให้ดีเราจะเห็นงานใดยิ่งไปกว่างานรักษาสติ แลาจะเห็นสิ่งอย่าเห็นสิ่งใดว่าเป็นภัยต่อเรายิ่งกว่าธมูทัยที่เกิดขึ้นจากใ จ, จแสดงออกมาในแง่ต่างๆให้สัตว์โลกทั้งหลายได้รุ่นหลวงเพราะไม่มีสติปัญญาสามารถแก้ไขและรู้เท่าทันมันจึงเป็นจอมศาสดาของโลกกระทำนี้ได้เลื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ ไม่มีผู้ใดที่จะมีความฉลาดแหลมคมได้หลักวิชาอันถูกต้องมาแก้ไขสิ่ง น, นี้หรือรู้เท่าทันลบล้างสิ่งเหล่านี้ออกจากใจจนกลายเป็นใจที่บริสุทธิ์ได้เหมือนพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พระอง์เพราะฉะนั้นจึงสมนามวาท่านเป็นจอมปราศฉลาดแหลมคมอิกโดยไม่มีครูอาจารย์ใดสั่งสอนด้วยพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่เด็ดตรัสรู้ ร, รมนำ สาสนธรรมมาสั่งสอนโลกต้องการไปด้วด้วยสยัมภูคือความรู้แจ้งของกินโดยลำพังภูเองซึ่งไม่ต้องอาศัยการศึกษาอบรมกับผู้หนึ่งผู้ใดเลยจึงเรียกว่าสยัมภูทรงรู้เองเห็นเองทุกทุกพระองค์นี่ความลาดความสามารถของท่านกับของเราผิดกันขนาดไหนพวกเราฟังได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่ตน้นตั้งเริ่มวันเริ่มเข้าไปบวช จนกระทั่งบัด น, นี้ล้วนแล้วตั้งแต่ทําเครื่องถอดถอนกิ่เลืทั้งนั้นที่ท่านชี้แจงแสดงไว้แต่เราก็ไม่สามารถที่จะถอนถอนกิเลือดออกจากภ า, ายในจิจตใจคนได้แม้แต่ชิ้นเดียวกองข้ามกับสั่งสมกิ่เลืขึ้นภ า, ายในตัวโดยไม่รู้สึกตัวมันก็กลายเป็นการมวดเข้ามาสั่งสมกิเลืผิดกับความมุ่งหมาย ของธรรมและศาสดาที่สวดสัสอนไว้นี่แหละความปราศจากสติความปราศจากปัญญาย่อมปราศจากเหตุผลย่อมปราศจากความจริงไปโดนไม่รู้กตัวอย่างนี้ถ้ามีสติมีปัญญาความจริงจะหนีไม่พ้นต้องทราบได้อย่างชัดเจนในหลักภาวนาหลักภาวนานี่แหละเป็นหลักที่จะรื้อถอนสิ่งที่รบคุงลังอันเป็นข้าศึกต่อจิตใจมานานยอมพบยอมชาติก็คืออวิชชาปฏิยาสร้างฆาลา สังคาราปัญญาวินดางจนกระทั่งสมุรยโยโหตินี่คือธรรมชาติที่พาให้สัตว์เกิดสับตายท่องเที่ยวในวัฏสงสารไม่มีเวลาจบสิน้นคือเชื่ออันนี้แหละอันนี้แหละนี่แหละกษัตริย์แห่งกิเลสทั้งหลายนี่จอมกษัตริย์ของกิเลสก็คืออวิชชา แหนงของวิชาแต่และขนแหนงขนแหนงก็แสดงมาเป็นความโลภ ค, ความโกรธความหลงนี่มาเป็นกิ่นใหญ่ๆสามกิ่งแล้วคั่นแตกขนแหนงออกไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดเลจะทําลายสิ่งตรงนี้จะแก้ไขสิ่งตรงนี้ได้ด้วยอํานาจของสติกับปัญญาเป็นสําคัญมีตัทาความเพียรเป็นเครื่องหนุนหลังพากันจำเอาไว้อย่างถึงใจ แนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมาสาวกทั้งหลายท่านดําเนินอย่างนี้สั้งฆังสนางกระฉามิให้นึกน้อมถึงปฏิปทาของท่านที่พาดําเนินมาไม่ว่าจะออกจากสกุลใดเมื่อได้สนับทำจากพระพุทธเจ้าเปิดความเชื่อความรำสายอย่างถึงใจแล้วบุกเข้าป่าเข้าลวกเข้าเข า, ขาอดอิ่มอะไรไม่คํานึงทางนั้นขอแต่ให้รู้ให้เห็นเรงอัดเรื่องทำเนี่ยถอดถอนยิ่งเด็ออกจากภายในจิตใจแล้วเป็นที่พอจัจ เพราะฉะนั้นปฏิปทาของท่านจริงราด้วยหนิงยาเรียกว่าสุปฏิปนโนอุทุปฏิปนโนญาเนี่ยสามีกีปฏิปนโนะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อความรู้แจ้งถึงจริงจริงๆปฏิบั ต, ติสมควรแก่ธรรมจนกลายเป็นอริยบุคคลขึ้นมาคุยั ก, กษ์เหตตังโลกัตสะ กลายเป็นเมื่อเป็นเนื้อนาบุญของตนอย่างเอกถูกแล้วก็กลายเป็นเนื้อนาบุญของโลกไปในตัวนั่นแหละเพราะโลกกับธรรมแยกกันไม่ออกคารวาสกับพระแยกกันไม่ออกเมื่อได้ทำหน้าที่ให้เต็มภูมิแล้วมีสิ่งที่จะแจกแบ่งสมเคาะสองหาจึงกันละกันแล้วโลกนี้อยู่ด้วยกันเพราะการมอสมเคาะสมหายิ่งทำด้วยแล้วเมื่อมียินภารกิจในใจแล้วทาไมจะเฉลี่ยเพื่อแพร่ สัตว์โลกด้วยความสงสารเมตตาล้นล้ว น, วนไม่ได้ละ่ะนนนีน่อันดับแรกจึงพยายามตักตวงให้เพียงคอกับความต้องการอย่าเห็นความคิดใดที่เป็นภัยยิ่งกว่าความคิดที่พิเลสบุ๋มการออกมาและอย่าเห็นอันใดที่มีคุณค่าหรือสามารถปราศที่เหลือได้ยิ่งกว่าสติปัญญาให้แนบสนิทกับใจสมองเราอย่าเสียดายความคิดความปรุง ในแง่ต่างๆซึ่งเป็นโลกเรื่องโลกสงสารอันเป็นสิ่งที่จะสั่งสมชีวิตซึ่งมีอยู่อย่างเต็มหัวใจแล้วให้ล้นหัวใจมากเข้าไปอีกความคิดเรื่องใดก็ต่างเราเคยคิดมาแล้วด้วยกันไม่เห็นเกิดผลเกิดประโยชน์อะไรให้คิดเรื่องอัดเรื่องทำจึงจะเหมาะสมกับภาวะแห่งความเป็นพระเป็นนักปฏิบัตของเรา เอาเอาให้ดีอย่าถอยหลังพระพุทธเจ้าไม่ไม่ใช่พูดถอยหลังความอดทนก็ไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าความภากเพียนทุกแง่ทุกมุมไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้านั่นแนะครูเอกของเราคำว่าพุทธทางสนานักฉามนึกน้อมพระองค์เป็นที่รึดพานา จ, จ, จิตใจเป็นที่ยึดเหนียวเป็นหลักเป็นเกณฑ์ของ จ, จิตใจอย่างไม่แล้ว ยังต้องยึดหลักปฏิบัตาที่ทรงนำเหนือมามีศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาเป็นต้นเข้าวัดเข้าไว้ในใจิตใจแต่สังฆังเสนาขาฉามีข้อเหมือนกั น, นให้ถือองค์สุปฏิอุชญายะฉามีกิปฏิปัญโหนกลงแนวต่อมัคคนิพานทำสีประเภทคือการปฏิบัติดีชอบตรงไปตรงมาเพือความรู้แจ้งของกิ น, นด้วยความมุ่งมั่นของตน จนกลายเป็นสามีกี่กรรมเป็นความชอบธรรมแล้วจะไม่พ้นจากความมันลุหรือความเห็นแจง้งเห็นกลิ่นในธรรมทั้งหลายซึ่งมีอยู่ภายนาในจิตใจเป็นแต่เพียงว่าที่เด็สมุทัทยทั้งหลายมันปกปิดกำบังน้ํำที่ใสสะอาดที่สุดคืออมะตะธรรมอยู่เท่านั้นเองเราจึงไม่เห็นเพราะฉะนั้นให้เปิดน้ําเวิร์กจอกแหน ออกจา ก, ก จ, จิตใจดอกแหน่นั้นหมายถึงกิเลสอาสวะประเภทต่างๆคำว่าเวิกก็หมายถึงว่าควาดออกให้หมดด้วยอำนาจของสติปัญญาของเราแล้วน้ำอำมะตะจะไม่ไปถามที่ไหนอริยสัจนี่แหละเป็นสถานที่อยู่แห่งน้ำอำมะตะธทรมเมื่อได้เปิดทุกสมูทัยออกมาให้ หมดสิ้นลงไปแล้วด้วยมะคือเครื่องอันทันสมัยความหิวกระหายโดยประการทั้งปวงก็ดับลงไปที่เรียกว่านิโรธเราจะได้ดื่มอมตะธรรมที่เรียกว่าอมตะจิตก็ได้อมตะธรรมก็ได้คงเส้นคงวาเป็นอนันตการอนันตระจิต หาระหว่างไม่ได้ไม่มีการไม่มีสถานที่เข้าไปเกี่ยวข้องได้เลยให้เปิดลงที่นี่ทุกจะทุกมากทุกน้อยเราเคยทุกมาแล้วอยาหวันไหวให้เอาสติปัญญาจับเข้าไปตรงทุกนั้นค้นหาเหตุมันเกิดทุกเพราะอะไรจะหนี้จากสมุทยัยตัวยุ่ยแย่ก่อควนนี้ไม่ได้ตัวนี้เป็นตัวยุ่แย่ก่อควรตัวแสนเล่แสนเหลี่ยมแสนมายาที่สุดก็คือตัวสมุทยัยและเป็นสิ่งที่โลก ได้เชื่อถือกันมาจนไม่มีทางต่อสู้ไม่คิดจะต่อสู้ไม่คิดจะแก้ไขก็คือเรื่องสมุทยเพราะความละเอียดละออความแนบเนียนในกลมาามายาเข้ามานอกจากหลักธรรมเท่านั้นเข้าไปจับถึงจะทราบข้อเทจ็จจริงของสิ่งเหล่านี้มีสติปัญญานั่ น, นแหละเป็นเครื่องทดสอบถึงจะทราบข้อเท็จจริงซึ่ง ก, กันักการ แล้วแยกแยกกันออกโดยลําดับกันนมดจะเป็นไปเพื่อจิตถ้ายังไม่เป็นสมาธิเมื่อสติเป็นเครื่องรักษาจิตอยู่เสมอแล้วจะต้องเป็นสมาธิคือความมั่นคงของจิตความสงบของจิตจะเคยพุ่งส่านลําคารมาขนาดไหนก็เถอะขอให้มีสติเป็นเครื่องรักษาจิตก็เป็นอันการบังคับ ความคิดทั้งหลายไม่ให้เกิดขึ้นไปในตัวนั่นแหละคิดขึ้นเรื่องใดให้ปัญญาติดตามเรื่องเหตุผลกลไกอะไดจึงต้องคิดไปอย่างนั้นรักสิ่งนั้นชังถิ่งนี้เพื่อประน์อะไรความรักความชังเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นความรู้รอบในความคิดความรุงของตนและความรูดเท่าทันในความรักความชังทั้งหลายนั้นเป็นปัญญาเมื่อปัญญามีกาลังก็สามารถถอดถอนได้เพราะถึงความจริงเป็นขั้นขั้นไป มีการปฏิบัติพากันทําความเข้าใจอย่างนี้ขนาดที่จะใช้สติที่จ ะ, ะกําหนดให้จิตสงบก็ให้มีเท่านั้นโลกนี้ทําเหมือนไม่มีอะไรอยู่เหลืออยู่เลยเหลือตั้งแต่ความรู้กับอารมณ์เท่านั้นไม่เท่านั้นอย่าเสียดายความคิดความปรุงซึ่งมันถักดันออกมาอยู่เรื่อยๆมันผลักดันออกมาจากตุดแห่งความรู้เรามีสติจะทราบ ขณะที่จิตกระเพื่อมออกมาเป็นความปรุงความผิดทําไมจะไม่ทราบพอปรุงขึ้นมาพับมันก็ดับไปพร้อมถ้ามีสติถ้าไม่ถ้าไม่มีสติมันก็มีความเหี่ยวโยงออกไปข้างนอกเรืเ่อยๆแล้วเราก็ตักทุบเงาไปเรืเออ่อยอทีนี้เงาเมื่อคนวิ่งมันก็วิ่งอามันไม่ทันพิเรศเป็นเท็จหนังเหมือนกับเงาอยากไปตักทุบเอาให้แน่วในหัวใจในขณะที่ทําความสงบ ใช้อารมณ์ใดที่เห็นว่าถูกกับจริตให้มีความมุ่งมั่นต่ออารมณ์นั้นไม่ต้องคิดคาดคิดหมายถึงมากถึงผลจะเกิดขึ้นประการใดบ้างอันนั้นเป็นเรื่องเลวหลังให้มีความติดต่อด้วยสติอยู่กับวงงานที่ตนกําลังพยยิจารณาเช่นหรือกําลังบริกรรมเช่นพุทโธหรืออนาทานนัสเตกให้มีสติจดจ่ออยู่ที่ตรงนั้นโดยถ่าเยเทเท่านั้นการ ที่สติจดจ่ออยู่กับงานที่กำลังทำนั้นนั่นแรลคือเป็นการผิดผลขึ้นมาในตัวโดยหลักธรรมชาติไม่ต้องคาดหมายก็รู้เองไปเองเมื่อเหตุสมควรจะรู้แค่ไหนที่เราทาลงไปผลจะปรากฏขึ้นมาเองไม่ได้ผลนั้นไม่เกิดขึ้นจากการคาดการหมายการเดาด้านต้นเดาอะไรต่างๆแต่เกิดขึ้นจากเหตุที่กระทำด้วยความสืบต่อเพราะความมีสติเป็นสาคัญถ้า จะพิจารณาทางด้านปัญญาในขณะที่จิตมีความสงบแล้วจิตย่อมไม่ฟุ้งซ่านย่อมไม่วุ่นวายจะพิจารณาทางด้านปัญญาก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยเช่นเดียวกับเรารับทานอีกแล้วจะทําหน้าที่การงานอะไรจิตใจไม่วอกแวกความแคนไม่เหลือ่อล้นวู่วายต่างๆเหมือนกับคนกําลังหิวจัดคนกําลังหิวจัดทํางานอะไรไม่สู้ดีอะไรมากระทบนิดๆหน่นอยมีแต่เกิดจะเกิดความวุหนวิต อยงน้อยความมีเอกมากนั่นแสดงความโมโหโถโตขึ้นมาจิตใจที่กําลังหิวกระหายในอารมณ์ต่างๆอยู่เพราะหาความร่มเย็นให้เป็นที่สบายเป็นที่สงบจิตใจไม่ได้จะพิจารณาทางาด้านปัญญามันก็กลายเป็นปัญญาเป็นเลยถูกกิเลสความพุ่งพลาดปัญญ า, ลลาอารมณ์หรือรากออกไปหมดเสียด้วยเหตุ น, นี้ท่านจึงว่าสมาธิ ป, ปริพาวิตาปัญญามหาพลาโขติมหานสิสางซ่า ปัญญาที่สมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากเพราะมีอายุสูงมากนะคือจิตที่พิจารณาด้วยความอิ่มตัวหมายถึงสมาธิจิตมีความสงบร่มเย็นแล้วมีความอิ่มตัวไม่หิวโหวยกับอารมณ์อะไรจะพิจารณาอารมณ์อันใดก็ตามกรรมฐ า, านในแง่ใดก็ตามอาการบรรดาอาการสามที่สองที่มีในร่างกายตลอดถึงเวทนาสัญญาสังขารอิญญา่ามจิตใจย่อมตั้งหน้าตั้งตาทํางาน ด้วยความมีสติสจ้งเป็นชิ้นรู้เป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมาถอดถอนเป็นช่องเป็นทางไปเรื่อยๆนี่เรียกว่าปัญญาเมื่อถึงการที่ถึงเวลาที่จะพิจารณาปัญญาเนี่ยไม่ต้องเกี่ยวกับเรื่องสมาธิให้ทำหน้าที่ของ ป, ปัญญาไปด้วยความมีสติไร้รองไปด้วยเห็นด้วยผลในแง่ต่างๆแห่งธรรมทั้งหลายที่มีในร่างกายและจิตใจนี้สติเป็นของสาคัญ ปัญญาจะทําหน้าที่ไปเรื่อยๆคำว่าอนิจจังมันครอบหมดทั้งร่างกายและจิตใจในบรรดาขันห้าคือกองอนิจจังทุกขังหน้าตาเนื่อกองรูปรูปมีกี่อาการอาการฐานทสองคือกองอนิจจังทุกขังหน้าตาจะอย่างลงในอาการใดก็ตามด้วยความเห็นแจ้งเห็นชัดเป็นการกระเทือนถึงกันหมดอย่างในอนิจจัง เราจะถนัดในพิจารณาเรื่องอ น, นิจจังในอาการใดก็ตามในปรรนาการถามที่สองนี้ก็ซึ้งและซาสานไปทั่วๆกั น, นทุกขังอนัตตาก็เหมือนกันทำนี้เกี่ยวโยงกันเมื่อเข้าใจใแง่หนึ่งย่อมสามารถจะเข้าใจใแง่หนึ่งได้ในขณะเดียวกันอ น, นิจจังทุกขังอนาตาัตต์พินารรูปเอาเนี่ย กายนี่แหละสําคัญไม่อจิต อ, อยู่ในขั้นนี้ต้องพิจารณาให้แหลกละเอียดไม่ต้องไปคิดว่าจิตพิจารณาช้าหรือเร็วความเข้าใจเป็นของสําคัญพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าซ้าๆทักๆจนเป็นที่เข้าใจแน่ชัดนั่นเป็นเป็นความถูกต้องเราไม่ต้องไปนับเที่ยวแห่งการพิจารณาถือกายนี่แหละเป็นวงงานเป็นสถานที่ทาํางาน ของสติปัญญาศรัทธาความเพียรหมุน ล, ลงไปที่ตรงนี้ทั่วสนั่งงร่างกายเรียกว่าที่ยวกัมมฐานกนารรมะแปลวการกระทําฐานะคือที่นี่ทําอยู่ที่นี่กัมมะฐานพระพุทธเจ้าท่านรู้แจ้งเห็นจริงในงานชิ้นนี้เหล่านี้สาวกทั้งหลายรู้แจ้งเห็นจริงในงานกรรมาฐานซึ่งมีอยู่ภายในร่างกายและจิตใจนี้ไม่รู้จักที่ไหนเพราะสัจธรรมมีอยู่ที่นี่ข้างนอกก็น้องเข้ า, ขามาภายในเทียบกันได้ทุกสัตทุกส่วน เมื่อรู้แจ้งจริงๆนี้แล้วภายนอกก็หนุมมีปัญหาอะไรเพราะมันเหมือนเหมือนกันในโลกนี้ให้พิจารณาอย่างนั้นอย่าถอยหลังอุบายวิธีต่างๆก็จะพยายามสอนหมู่เพื่อนมาเต็มสติกําลังความสามหาัดไม่เคยลี้ลับในแง่ใดเลยเพราะได้อุดมสั่งสอนหมู่เพื่อนมาเป็นเวลาทั้งยี่สิบกว่าปีแต่ออกสังคมอันนี้ถ้าเกี่ยวข้องกับเพื่อนกัควรจะมีองค์ได้รับความเข้า อ, อกเข้าใจ ในอุบายวิธีต่างๆและการสอนก็สอนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยสอนด้วยความแน่ใจพูดโกงๆมาเราไม่ได้สอนด้วยความสงสัยแบบรู ป, รปคำคำเห็นจะเป็นอย่างนั้นเห็นจะเป็นอย่างนี้จิตไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันเห็นจริงจิงปฏิบัติก็จริงเวลารู้ขึ้นมาแง่ไหนมันก็จริงแม้ว่าส่วนยากส่วนกลางส่วนละเอียดมันจริงทุกส่วนเพราะเราทําจริงมันรู้ทุกทุกส่วนจริงไปหมดเมื่อเป็นอย่างนั้นพูดออกมาทำไมจะไม่จริงแล้วผู้ฟังทําไมจะไม่จริง พูดของจริงให้ฟังแท้ๆถ้าเรามุ่งของจริงอแล้วฟังให้จริงทําให้จริงจะต้องเห็นของจริงมาอยู่ที่ไหนนอกเหนือไปจากศาสนาธรรทั้งสี่นี่แหละตลาดแห่มรรคผลนิพพานอยู่ตรงนี้อืมไม่มีอะไรมากรีดกันการสถานที่เรามีอำนาจที่จะมาตั้งกลางมรรคผลนิพพานเรื่องเวลาสถานที่นั้นที่นี้ความยืดยาวนานแห่งกาลเวลาจะมาทำลายมรรคผลนิพพาน หือกิกานพระผนิพพานให้ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ให้เรามาขนเป็นไปไม่ได้มีแต่สมุทัยตัวนี้เท่านั้นตัวสาคัญหรือทุกข์กับสมุทัยสองประการเป็นเครื่องปิดบังมรรคผูนิพพานไว้ปัญญาไม่ออกก้าวเดินถ้าปัญญาออกก้าวเดินก็พิจารณาแยกแยะทุกข์ที่มันเกิดขึ้นภ า, ายในกายมันเกิดขึ้นส่วนไหนอะไรเป็นทุกข์ แยกมันดูทุกอาการว่าหนังเป็นทุกคนตายแล้วหนังมีไม้ไปทอใครมันว่าไงมันไม่เห็นว่าไงแน่ถ้างั้นก็ไม่ใช่หนังเป็นทุกแล้วจีเออเนื้อเป็นทุกหรือเอ็นหรือเป็นทุกหรือกระดูกเป็นทุกว่าตรงไหนจอมันเข้าไปจอมันเข้าไปด้วยสติปัญญาเทียบเทียงกันกับเรื่องของใจเทียบเทียงกันกับเบธนากับเนื้อหนังเอ็นกระดูกในอาการใดที่ว่ามันเป็นทุกแยกกันดูเมื่อ เห็นหลายครั้งเลยผลชัดเจนเข้าไปเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาหนังเนื้อเอ็นกระดูกรือสรุปแล้วว่าร่างกายก็สักแต่ว่าร่างกายใจก็สักแต่ว่ารู้ต่างอันต่างจริงเมื่อต่างอันต่างจริงแล้วไม่มีอะไรกระทบกันจิตก็ไม่สะทกท้านพอรู้ความจริงแล้วอยู่เป็นปกติสุขมีปัญญาพิจารณาอย่างนี้ให้เห็นชัดคือถึงเวทนามันก็เหมือนกัน เวทนาแม้จะเกิดขึ้นจากใจมันก็ไม่ใช่ชใยเหมือนอย่งางควันไฟเนี่ยมันเกิดขึ้นจากกองไฟแต่มันก็ไม่ใช่ไฟเนี่ยมันเป็นอาการอันหนึ่งอันหนึ่งเท่านั้นยินาให้ชัดเจนนี่แหละของจริงอยู่ที่ตรงนี้ให้พ้นตรงนี้การบุกเบิกมผลเพลื่อ ม, มาผลนี้ผ่านบุกเบิกที่ตรง น, รงนี้ตรงที่มันตีมันตันเวลานี้กิเลสตัณหาสภาวะก า, ม า, ารมาตัณหาเพตัณหาวิภาวะตัณหาเนี่ยที่สแสดงผลขึ้นมาเป็นทุกข์ทุกข์ทางใจ มันอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นจึงแก้กันด้วยมากมีสติปัญญาเป็นสําคัญยน่นเข้ามามักแต่ถ้ามันอยู่ในตัวนี่หมดอสมาทิิสมาสังโปหมายถึงองค์ปัญญาที่ปัญญาไขาควรโดยเหตุโดยผลเรื่องธาตุสี่ดินน้ำลมไฟรวมลงในนิจังทุกขังอตาโดยสิ้นเชิงสมาวาชาคนเราถ้าจิตเป็นธรรมแล้วพูดเป็นธรรมทั้งนั้น มันก็บอกไว้แล้วว่าสัมมาวจจะพูดเรื่องอะไรจึงเรียกว่าเป็นสัมมาวจจะพูดในเรื่องชั้นเลกาธรรมก็มีแล้วชั้นเลกาธรรมสิประการคือหนึ่งอภิชตาความมากน้อยจะมีมากมายเพียงไรก็ตามต้องการไน้อ ย, อยเท่านี้ไม่ต้องการมากพรุ้งพลังทั้งแบบทั้งหามันหนักจะตายไปเอาแค่นี้พอแล้วอปิจชตาชันโดดคือความยินดีตามมีตามเผื่อไม่วุ่นวายมีก็ใช้ไม่มีกใ็ใช้นี้ก็กินไม่มีไม่มไมกิน นี่เป็นขั้นรองลงมาอาสังตะคณิกาไม่ให้กุกตีตีมงง่วงสมซึ่งกันอากัร น, นี่เป็นข้อหนึ่งวิเวกกตาชอบที่วิเวกสงัดที่ไหนที่สงัดให้อยู่เอาสงัดภายนอกแล้วก็ทําให้จิตสงัดภายใน น, นี่วิเวกภายนอกแล้วก็วิเวกภายในเยไปเครื่องหนุนกันอยู่เช่นนั้น วิริยลำพาไม่ลดนะซึ่งความเพียรจะอยู่ในเระยบทใดก็ตามเพียงแต่หลับเรายกเว้นแต่ขณะที่หลับเท่านั้นสุดวิสัยพอตื่นขึ้นมาความเพียรกับงานติดพันกันทันทีงานเราเคยทําอยู่ในชิ้นใดอยู่ในระยะใดจับเท่ตรงนั้นทันทีีแบบซีนะ เห็นก็ดีอยู่แล้วนี่พสมาธิเนี่ยพูดกันเรื่องสมาธิอุเรื่องปัญญาคุลเรื่องถึงเรื่องวิมุตถึงเรื่องนิมมุตยาศาสนาแน้วก็สิบนี่สัมมาวาจากล่าวชอบสัมมากัมมันตะเดินจง ก, กรมนั่งสมาธิภาวนานี่แหละเป็นงานที่ชอบที่สุดสำหรับพระเรานั่นหมายออนนี่ย่นเข้ามาเนี่ยสัมมาอาชีวะ เลี้ยงคีบชอบขั้นหนึ่งก็คือปิเนียโลโกโชนังนิซาญปปชา ต, ะตะเตยาวเืองช่างโฮกาลนีย์ินสมบาดแล้วอาศัยกำลังปีแข้งบินเที่ยวบวชมาแล้วอาศัยกำลังปีแข้งเที่ยวบินสะบาดตามชาวบ้านเข้ามาสมฉันนี่เป็นงานที่ชอบของพวกเธอทั้งหลายจงทำความรูสาวพยาอย่างนี้ตลอดนี่ถืดนี้นี่เป็นเลี้ยงคีบชอบอันหนึ่งเลี้ยงคีบชอบประการสําคัญก็คือว่ายานํายาพิษ อารมณ์ที่เป็นพษิษเป็นภยัยเป็นที่ตัณหาเข้ามาเผาลนจิตใจอจิตใ จ, จที่พาชีวิตให้เป็นอยู่นี้ให้มีความราบรื่นอยู่ด้วยความสงบเย็นใจมีธรรมมีสติปัญญาเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาป้องกันนะสมาชีวะเลี้ยงชีพชอบเลี้ยงด้วยอดด้วยธรรมเลี้ยงด้วยสติเลี้ยงด้วยปัญญาอย่านำกิเลสความล่มโลกความโกรธความหงุดหงิดตัณหาเข้าเข้ามาเลี้ยงมันมันไม่ใช่เลี้ยงนะมันมาทําลายเนี่ย สัมมาวาโมก็เพียนชอบเพียนในที่สี่สถานท่านก็ บ, บอกไว้แล้วนะท่านเพียนละบาบําเพนบนุญอันบาบที่เกิดมีแล้วก็พยายามละแล้วพยายามสั่งสมกุศลที่ยังไม่เกิดความเฉลาศท่านละกุศล ม, ม่กุศลแต่ว่าความเฉลาศเกิดขึ้นภายในจิตแล้วถ้าเกิดยิ่งขึ้นไปก็มีเานะ้น สัมมาสติแล้วลึกอยู่ในสติปฐานสีก่กายเวทนาจิตธรรมเหงียวสัมมาสติสัมมาสมาธิรวมลงไ ป, ไปแล้วถึงการรวมก็ให้เป็นความสงบออไม่ต้องปรคกวรคือจิตบางลายมอขณะที่ลงแล้วถอนไม่ขึ้นถ้าเราพยายามถอนหลายครั้งหลายหนพอถอนขึ้นมาแล้วไม่หลง เพราะฉะนั้นเพื่อความถูกต้องแห่งสมาธิรายเช่นนี้นั้นจะรวมทั้งกีชั่วโมงก็าตางป่อยว่าอย่างนั้นจนกระทั่งถอนขึ้นมาเองอย่าไปรบกวนด้วยวิธีการ ใ, ใดๆทั้งหมดนอกจากมีความเข้มงวดจำนาญกับสมาธิประเภทดีแล้วจะถอนขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ให้ลงเมื่อไหร่ก็ได้นี่มีเป็นร้อยหนึ่งจะเอาห้าเปเซ็นก็ทั้งยากลายอย่างนี้มีเพียงห้าเปเซ็นในสมัยปัจจุบนันนี้รู้สึกจะได้เพียงห้าเปอรเซ็นต์นอกนั้นกับ สงบอยู่ภายในจิตคิดได้ปรุงได้แต่ปรุงอยู่เพียงแยบกันแยบอยู่ภายในจิตไม่ได้เกี่ยวข้องกับอารมณ์อย่างื่นเราเรียกว่าสงบอืจิตที่มีความแน่นหนามั่นคงแก่ตัวเองอยู่ทุกระยะเรียบว่าสมาธิคือความมั่นคงของใจาการที่จิตจะมีความมั่นคงของใจขึ้นมาก็ต้องมีความมั่นคงทางความเพียรเป็นเครื่องหนุเสมออืม เนี่ยมก 8, ักแปดยื่นลงมาแล้วอยู่ที่ตัวของเรามีทั้งหมดไม่อยู่ที่ไหน mm. ตามขั้นภูมิของผู้ปฏิบัติเพราะทำมีหลายขั้นมักแปดจึงมีหลายขั้นหลายภูมิ mm. มัมกมักแปดที่ยืน่นเข้าไปจริงๆมัน ก, ก, ก็ก็ลงมาในสติปัญญาลงนี้หมดผม mm. ไปแก้กิเลสตัวไหนไม่พ้นจากสติปัญญานี่ เ, ยเียกิเลสก็ละเอียดเข้าไปโดยลําดับการพิจารณาร่างกายจึงเป็นสิ่งําคัญที่จะถอดถอนราคาตัณหา ได้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นส่วนหนึ่งอีกอันนี้เป็นหน้าที่ของปัญญาที่มีความละเอียดยิ่งไปกว่านั้นจะเป็นผู้ทํางานเมื่อได้รู้เท่าทันเรื่องร่างกายทั้งหมดแล้วปล่อยผิดจะไม่ยุ่งกับการพิจารณาร่างกายเลยจะพิจารณาตั้งแต่เรื่องนามาธรรมคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแตพ่ออย่างยิ่งสังขารคือความคิดความปรุง ตุงดีก็ดับตูงชั่วก็ดับปรุงชนิดไหนดับหมดดับหมดยับยับ ย, บ ย, บยบเมื่อสติปัญญาทันแล้วจะมีมันก็เหมือนกระแสห้อยมันยับยับยัเพราะมันไม่มีเนื่อนต่อเนื่องจากสติปัญญาทันทานกันโดยหลักธรรมชาติเมื่อนานเข้าไปนานเข้าไปชันนี้ชํานานพอตัวแล้วตุงขึ้นในขณะใดก็เท่ากับปลุกสติปัญญาให้รู้เท่ากันในขณะนั้นในขณะนั้นไปเรื่อยๆอนี่เรียกว่าเกลียบรวมตูก แต่มาใช้ธาตุขันคือร่างกายนี้ปัญญาก็สอดส่องมองทะลุไปหมดแล้วอุปทานหาที่ยึดที่มันมาได้เพราะความรู้แจ้งจริงๆในสิ่งนี้อ้าว่าธาตุก็ธาตุจริงๆนะธาตุดินก็เป็นดินจริงๆธาตุน้ําก็ซึ้งพนะใจจริงๆธาตุลมธาตุไฟก็ซึ้งพนาใ จ, จริงแล้วใครจะไปยึดเอาดินเอาน้ําเอาลมเอาไฟมาเป็นตนได้อย่างไรเมื่อเนี่ยยังถึงปัญญาขั้นนี้แล้วก็ถอนอุปทานขึ้นมา เอาอันใดที่ยังยังไม่ถึงอีกก็คิดนาบีดเช่นเวทนาสัญญาสัางขารปัญญาซึ่งเป็นนามาธรรมจีตก็ตามเข้าไปเฉพาะอย่างยิ่งสังขารความปรุงสัญญาความหมายนั่นหมายนี้มันหมายไม่ได้ถ้าลงทั้งขารไม่ดื้อให้มันแล้วมันหมายไม่ได้สังขารต้องแยกให้ก่อนสัญญาจึงจะไปหมายนู้นหมายนี้ออกได้ถ้าไม่ออกนี้ก่อนหมายไม่ได้สติปัญญาก็ทันแล้วก็รู้เท่าด้วย รู้เท่าเรื่องกายแล้วรู้เท่าเวทนารู้เท่าสัญญาสังขารยิงย่งใหญ่ซึ่งเกี่ยวโยงกันอยู่กับใจดวงเดียวมารู้เท่าแล้วมันก็ไม่ยุดอืเวทนากรสักว่าเวทนาสังขารกระสับจวาวะสังขารคือความคิดความปรุงเท่านั้นสัญญาก็มันัำหาตนหาตัวไม่ได้ยิ่ญานก็รับทราบจากสิ่งที่มาสัมผัสพอสิ่งที่มาสัมผัสผ่านไปคารับทราบนี่ประดับไปพร้อมแต่ความรู้นั้นไม่ดับ เรียกว่าจิตอันนั้นที่รับทราบสิ่งนั้นถึงนี้มากระทบแล้วดับไปพร้อมกับสิ่งมากระทบดับไปนั้นเรียกว่าวิญญาณนี่ยมันก็รู้เท่าเฮ้มันเหลืออะไรเนี่ยเนี่ยไรอย่างนี้อะไ ร, รกิเลสตีตะล่อมเข้าไปด้วยปัญญาทิงได้ถ้ารู้แล้วต้องปล่อยปล่อยป่อยแล้วไม่พิจารณาเพรารู้แล้วพิจารณาอะไรนะ รู้ตัวเองนะั้นเรียกว่าสันติติโกไม่ต้องให้ใครมาบอกพรูพระเจ้าท่านก็บอกไว้แล้วว่าสันติติโกรู้เองปัจจตังเวสตโบวินยูหินท่านผู้รู้ทั้งหลายเพงรู้โดยลําพังตนเองรู้อย่างพอดทนก็มีผู้ปฏิบัตินีเท่านั้นจะรู้เรื่องของตัวเองถ้าไม่ปฏิบัติไม่รู้นี่เราก็ปฏิบัติเพื่อรู้เรื่องของเราแต่รูปคือร่างกายทุกข์ปวดเวทนาสุขทุกเฉยเฉยทั้งทา ง, งร่างกายและจิตใจ ชั้นาความจําได้หมายรู้สังขารความคิดความปรุงภายในใจิตใจเห็นญญาณความรักชาเนี่ยก็รู้เท่าทันก็มีิป็นอาการห้าอย่างเท่านี้แล้วอะไรที่นี่ยังเหลืออยู่นั่นที่เรศเมื่อถูกตล่อมอุปทานถอนเข้าไปถอนไปแล้วก็ยังเหลือแต่อุปทานของใจเท่านั้นเลยนั่นแหละตัววิชาจริงๆคือมาณะความถือใจ <c oughs> ในสํารวจเบื้องบนท่านว่าไว้ <c oughs> มาณะอุทัจฉะ อวิชชานี่เรื่องเบื้องบนอูปราคะอูปราคะมานะอุทะจะอวิชชานี่เรื่องเบื้องบทอย่างละเอียดเครื่องผูกจิตใจอย่างละเอียดอุทาจะความฟุ้งอันนี้ไม่ได้หมายถึงความฟุ้งข่านลังคาญแต่แบบสามัญช น, นที่เป็นไปกัน ท, ทั่วไป แต่ความฟุ้งความคาว่าฟุ้งหมายถึงความเพลินในการพิจารณาในแง่คําทั้งหลายจนลืมเข้าพักสมาธิอันเป็นที่สงบทักผ่อนหย่อนใจให้มีความสะดวกสบายเพื่อเอากำลังในการพิจารณาต่อไปแต่จิตมีความเพลินในหน้าที่การงานทั้งหลายจึงเรียกว่าอุทาาทัจะคือเพลินเกินตูวท่านก็ยกสังโยชน์เหมือนกันแม่มาณนะ ก็ ค, ค, คือความถือความรู้นั่นแหละเพราะความรู้นั้นเต็มไปด้วยอวิชชาที่นี้อวิชชารวมตัวแล้วรูปน้องเขาอวิชชาถูกตัดแล้วทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายตัดเข้าไปมาแทรกซึมอยู่ตามรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ถูกตัดเข้าไปตัดเข้าไปด้วยปัญญาอุปทานต้อมีที่ยึดเขาพยายายึดใจ ท, ที่เรียกว่าที่เลศมันรวมตัว้าไปยึดใจเข้าก็ไปพ้นสติปัญญาที่เจังเข้าไปตรงนั้นเหมือนกัน เมื่อพิจารณาเข้าไปถึงอุปทานจนยึดใจอันเป็นตัวสําคัญความสว่างสวายความกระจ่างแจ้งความอากความหามก็อยู่ในนั้นหมดพิจารณาเข้าไปตรงนั้นเหมือนกับสภาวธรรมทั้งหลายที่เคยพิจารณาและรู้เท่าทันมันแล้วมันก็รู้เท่าท่านาั้นเลยเมื่อรู้เท่าแล้วมันก็แตกกระจายหมดเมื่อความรู้ที่เป็นวิชาแตกกระจายหมดแล้ววิชาวิมุตต์ก็ขึ้นมาเองเน่เราจะไปหาวิมุตตินิพานที่ไหน หาเอาตัวพิจารณาตรงนี้สิอะไรปิดมาก่อนนิพพานเวลานี้ก็มีแต่กิเลสประเภทเดียวเท่านั้นพิจารณาสิ่งเหล่านี้ให้รู้เท่าทันโดยลาดับเปิดเอาโดยลําดับด้วยสติปัญญาให้ทันเหตุทันการแล้วเรื่องความจริงก็เด่นขึ้นมาเด่นขึ้นมาจนเด่นเต็มที่อวิชชาดับไปกนะ็อวิชชาตะเวบ า, าเสสวิารากะวิรากะนิโรธาสร้างฆาญานิโารโถสร้างฆาญานิ โ, โรธ า, า, าวิญญาณนิโรโถจงสร้างเหมือนสุนิโรโธโหติ เมื่อวิชาดับสังขารสังขารดับสังขารดับวิญญาณดับเรื่อยๆมันดับไปเพราะเพราะพราลากแก้วมันถอนขึ้นมาแล้วอะไรมันก็ตายไปหมดนั่นแหละไม่ว่าหลักปลอยหม่ว่าถึงกลางไม่ว่ า, า, วาดอกใบอะไรมันตายไปหมดถ้ารากแก้วมันถูกถอนขึ้นมาแล้วอวิชาคือรากแก้วของใจของวัตจักรมันตึงอยู่ที่เมื่อสติปัญญาอัตโนมัติมหาสติมหาปัญญาคุยเสียขุดคน้นมาจนแหลกละเอียดแล้วทำลายกันอย่างหลละเอียดแล้ว เราจะไปหาวิมุติที่ไหนได้นั่นแหละวิมุติดุดพ้นแล้วจ้ะอำนาจแห่งที่เหลสปัญหาอาศวะทั้งมวลเนี่ยที่ตรงนั้นสารพิเศโกบอกขึ้นมาเองไม่ต้องถามใครนะเนี่ยงานของผู้ปฏิบัติเฉพาะ อ, อย่างยิ่งนักบวชนักปฏิบัติเรามายุติกันตรงนี้เอง นี่หละงานใหญ่ที่เราทำมาตั้งแต่เกศารุงมาณังานะตูปรูมาดักที่ตรงนี้มาสิ้นสุดหุ่ยตังประมาจายางกระตังกระมียางนาพังนาพลังอิสราลตูได้เสร็จกิจงานของพระศาสนาในเสร็จเพียงเท่านี้ที่จะทำให้ยิ่งใหญ่กว่านี้ไปไม่ไมีเพะรู้แจ้งจริ ง, รงเต็มส่วนแล้วนั่นเว่าสุดงานจก ทำงานเสร็จเสร็จที่ตรงนี้งานที่พูดเบื้องต้นในขั้นเริ่มแรกของการเทศไมาจบที่ตรงนี้งานของธรรมมีความจบสิ้นลงได้งานโลกก็มีจบสิ้นทำจนกระทั่งวันตายภูนิตายไปภูนนมาทําแทนมันก็ไม่สิ้นไม่สุดงานอันนี้ลงทําให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มอัดเต็มทําเต็มสติปัญงานแล้วจะต้องยุติกันที่ตรงนี้ตลอดถึงการเกิดการเจริการเจ็บการต า, า, ายทั้งหลายที่มันอาศัยจิตอวิชชาพาเป็นเชื้อนั้นมันก็ดับไปพร้อมๆกันหมด ว<ง>่างเอานี้นั่งปฏิบัติลูกศิตฐาคจอ่อนแอได้เลยแล้วมหาของยิงธรรมนจะมีแต่ของกอมแกมหัวใจวันไหนเจอนอนจมอยู่กับของกอมแล่าไม่เอือมนะอาตัวของบ้างเหรอเพาะพูดถึงเรื่องจบงานสิ้น ง, งานงานเสร็จสิ้นแล้วก่อนจบแค่นี้เอาต่อไปท่านปัญญาอธิบายให้หมู่เพือ่อนฟัง